ก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจจะได้บอกอุไว้ยธรรมะสำหรับเป็นเครื่องอบรมจิตใจคําว่าอนุสาสนีปฏิหารนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการสอนการทำสอนบ่อย อันนี้นบว่ามีปฏิหารกวาอิทธิตต่งงางๆเพราะองค์เจ้าทรงสรรเสริญอนุสาสนีปฏิหารนี่ก็เป็นปฏิหารที่มีประโยชน์มากกวา่าปฏิหารอื่นๆเช่นหากเฮิ้นเดินอากาศได้ดำดินได้ก็ดีหรือนิรมิต คนคนเดียวให้เป็นหลายคนก็ดีเหมืนี่ก็ยังสู้การแนะนำสั่งสอนบ่อยๆไม่ได้นี่พระองค์เจ้าทรงสารเสริญอนุสาสนีปฏิหารอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงได้มีระเบียบมีการอบรมกันเป็นประจำไป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 ไม่สนไม่เอามาพูดกันพอเราประพฤติปฏิบัติทำรรมมันก็ต้องพอใจในธรรมนี่มันจึงถูกต้องในการมาประพฤติปฏิบัติทำแต่จิตใจพอใจไปในทางโลกโน่นอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องมันไม่สมน้ําสมเนื้อกัน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 ปกติของพระอรหนพอใจศึกษาสับตรับฟังพระธรรมคำสอนจากอุปชาอาจารย์เสมอเสมอตื่นนอนมาแล้วก็จะกำไสหวานขึ้นสู่ท้องฟ้าอธิษฐานขอให้พระเจ้าได้ฟังโอวาทจากอุปชาอาจารย์ให้มากเท่ากับเม็ดทราย ที่ซัดขึ้นไปบนอากาศนี่ท่านอธิษฐานใจอย่างนั้นเสมอเสมอจนเมื่อท่านได้บวชเป็นพระได้บรรลุมรขันธมรรมวิเศษแล้วพระศาสดาก็ได้ทรงยกยอ่องว่าเป็นเอตตะคัตทางไฟต่อการศึกษาเรื่เรียนการสดัประปันไฟใจมาก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 คนทุกหมู่ทุกเหล่าที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนานี้ต้องอาศัายการฟังบ่อยๆหรือไม่ไม่ได้ฟังบ่อยๆก็การดูาำรับตาลาบ่อยๆเมื่อดูาำรับตาลาแล้วท่องจำอะไรได้แล้วก็ น, น้อมเอาบทเรียนที่จำได้นั้นเข้าไปภายในไปพินิจพิจารณา อยู่ภายในใจให้เข้าใจความหมายแห่งคำสอนนั้นๆถ้าหากว่าจำได้เฉยๆไม่รู้จักความหมายในทางปฏิบัติมันก็เป็นไปไม่ได้ก็จะน้อมเอาธรรมะนั้นไปประดับจิตใจของตนก็ไม่ได้เป็นงานแคนั้น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 ให้เกิดให้มีขึ้นในตนเนื้อเพียนระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในสันดานนี้แล้วเมื่อบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียนพยายามรักษาบุญกุศลนั่นไว้อย่าให้เติมนี่จึงเรียกว่าผู้มีความเพียนนี่ความเพียนนี่ก็ต้องกระทาบำเพ็ญให้ครบวงจรมันก็จึงได้ผล ถ้าหากว่าผู้เรียนผู้จําเรื่องของความเพียรได้แล้วเอามาวินิจฉัยดูอย่างนี้มันก็รู้จากแนวทางปฏิบัติแล้ววันนี้มเมื่อตนละความชั่วออกไปแล้วก็ต้องรีบทําความดีเข้าใส่จิตใจไว้นี่ฉะนั้นความชั่วมันก็จะวกกลับมาอีกก็รู้จักความหมายแล้ววันนี้ในความเพียร น, นั่น อย่างนี้เลยเช่นยกตัวอย่างว่าเมื่อทนละความโกรธไปแล้วอธิษฐานใจแล้วว่าต่อนนี้ไปเราจะไม่โกรธใครอย่างนี้แล้วก็ต่อจากนั้นก็เจริญเมตตาเรื่อยไปให้เกิดความรู้สึกนึกคิดต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดเลย เป็นบุคคลที่น่ารักไม่ใช่บุคคลที่น่าชังเพราะว่าต่างคนต่างเกิดมาเพื่อแสวงหาความสุขเหมือนกันหมดต่างคนก็เกลียดต่อความทุกข์เมื่อดำริตรีตองอย่างนี้บ่อยๆเข้าไอ้ความโกรธเกลียดชังต่างๆที่เคยเป็นว่าแต่ก่อนมันก็เบาบางไปเพราะมันเห็นนด้นี่มันมองเห็นเนี่ย มนุษยชาติของเราในแม้จะชั่วหรือดีแต่มันก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันต้องการความสุขเปลียนต่อความทุกข์เหมือนกันหมดเลยอย่างนี้นะนีะ่เมื่อมาพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วความรักความเอ็นดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นนั่นแหละที่แม้ว่าบุคคลผู้ใดที่เคยเป็นศัตรูตอนมานั้นมันก็จิตใจมันก็ให้อภัยมันก็ เกิดความเอ็นดูกันขึ้นมาแทนที่จะนั่งเกลียดกันไม่เอาแล้วพอเมื่อจิตอย่างลงสู่เมตตารมแล้วมันก็เกิดความเอ็นดูสงสารกันขึ้นมาหาหนทางฟองร อ, องสามัคคีกันไปถ้าใครยังไม่ยอมปองรองก็วางอุเบกขาลงเราก็ไม่ยินดียินร้ายนั่นกรรมของเขากิเลส ข, ของเขา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 เมื่อเราคิดพิจารณาให้กว่วงขวางให้ละเอียดไปแล้ววันนี้มันก็เลยจิตก็ว่างจากความโกรธความเปรียดต่างๆตรงนี้นะอันนี้เราจะทันเรียกว่าเพียนเพียนละบาป ท, ที่เกิดขึ้นแล้วนะให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้แม่กิเลสอื่นๆก็เหมือนกันนะ มันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละก็เมื่อละกิเลสอันใดออกไปแล้วก็ต้องพยายามระมัดระวังจิตของตนอย่าให้มันหลงไปยึดเอากิเลสอันนั้นมาอีกนี่พวกครมจิตให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมอันไม่เกลื้อไปด้วยกิเลสเช่นเมตตาอย่างนี้ก็ให้ให้อย่าให้มันเกลื้อไปด้วยกิเลส เมตตาปแปลว่าความรักให้ในที่นี้หมายเอาว่ารักให้ปาถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นศุขทั่วหน้ากันไม่ใช่ว่ารักด้วยอำนาจแห่งราคะตัณหาแล้วเอาจิตไปผูกพันอยู่กับโลกนั้นด้วยแห่งด้วยอำนาจแห่งความรักความใคร่ออย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นเมตตา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 ที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้เฉื่อมไปนั่นเองเนี่ยเมตตาธรรมก็คือบุญกุศลนั่นเองนะคือกุศลธรรมนั่นแหละไม่ใช่อื่นไกลอั่ น, นี้ความโกรธก็คืออกุศลธรรมนั่นเองนี่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าเมื่อเราทิ้งอย่างหนึ่งมันก็ได้อย่างหนึ่งมาเป็นเครื่องตอบแทนเมื่อเราทิ้งความชั่วไปมันก็ได้ความดีขึ้นมาตอบแทน เมื่อเรารู้ว่านี่เป็นของดีเป็นความดีมันก็ต้องรักษาไว้อ่ะไม่ให้สูญหายเหมือนอย่างบุคคลได้แก้วได้แหวนได้ทองคำธรรมชาติเป็นของมีค่ามามาพิสูจน์ดูแอของนี้เป็นของมีค่าเป็นของดีเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้ผู้มีผู้นั้นก็จะต้องรักษาไว้พยายามเก็บกำไว้ให้ดีไม่ให้สูญหาย เราบ่กของดอีอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นไงบุญกุศลนี่ยังมีคุณค่ามหาศาลกัวแก้วเข ว, วีเงินทองเป็นต้นเหล่านั้นเพราะของเหล่านั้นนั้นมันไม่ได้ติดตามตนไปทุกแห่งทุกผลเพียงจะให้ความเสื่นชมยินดีในชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองตายแล้วก็ไม่มันไม่ได้ติดตามไปเลยส่วนบุญกุศลนี่ติดตามจนไปทุกแห่งทุกผล คอยรักษาชีวิตจิตใจของผู้มีบุญกุศลให้มีความสุขความสบายอยู่ในภพในชาติที่เกิดนั่นนั่นบุญกุศลนี่นอกจากจะอำนวยความสุขให้อย่างว่านั่นแล้วก็ยังเป็นเครื่องชำระ ก, กิเลสป่าประมออกจา ก, กจิตใจแน่ลนะถ้ามันถ้าบุญกุศลไม่กระจัด กิเลสปปธรรมออกไปจิตใจนี้ก็ไม่เป็นสุขสบายไม่มีอิสระกิเลสมันถูกมัดรัดลึงไว้ออก็ไม่มีอิสระเสรีหาความสุขไม่ได้นั่นเหตุการที่จิตใจของคนเรานี่จะมีความสุขได้ก็เพราะว่าเริ่มต้นต้องแต่ละความชั่วนั่นแหะออกไปจากจิตใจ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 มันก็สงบมันก็เย็นสบายนี่แหละทุกคนนะ่ะเมื่อต้องการความสุขแล้วมันต้องพยายามปลดเปื้องกิเลสต่างๆมือนี่ออกจากจิตใจให้ได้แล้วก็จะได้มีอิสระเสรีอยู่เย็นเป็นสุขสบายใจมากทีเดียวเนะนี่ยถ้าทำคำสอนของพระเจ้านะี่นะ เมื่อผู้ใดศึกษาเราเรียนหรือสรบสระฟังแล้วจำได้เอาไปพิจารณาดูแล้วล้วนจะเป็นของดีทั้งนั้นล้วนจะเป็นธรรมเครื่องกำจัดกิเลสอันชั่วช้าลามกสั่งออกจากจิตใจนี่ทำให้ใจของใสสะอาดทั้งนั้นเลยธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นอย่าพากันเบื่อหนายให้พากันทำความชื่นชมยินดี อยู่เลยไปทีเดียวนะเรียกว่าเราอิ่มอยู่ด้วยคุณธรรมในใจอันนี้นะอย่าให้มันไปนอิ่มอยู่ด้วยความรักความทังต่างๆหมดนั้น ม, ม, มันก็มีอยู่สองทางเท่านี้แหละใจของคนเรานี่นะอันนั้นผูใ้ใดควบคุมจิตอันนี้ได้ให้มันมีคุณธรรมอยู่ในใจ ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เช่นนี้แล้วกปณวาปูุนั้นเป็นผู้มีความเพียรวิรยนะเยนทุกขามัจเจติผู้จะร่วงพ้นทุกไปได้ก็เพราะความเพียรดังนี้แส mm. ดงว่ากิเลสนี่มันเหนียวแน่นมากเราจะไปละเอาไวๆนะั้นให้มันหมดไปทีเดียวเลยเนี่ยมันมันหมดไม่ได้ ดังนั้นพระศาสดาจึงได้สอนให้คนเราจะมีความภาคเพียรมีความเพียรกับมีความอดนั่นพอๆกันเลยถ้าไม่อดก็ไม่มีความเพียรถ้าไม่มีความเพียรก็ไม่มีความอดเหมือนกันนี่เป็นเรื่งั้นงนั้นทุกคนจะเป็นนักบวชก็ดีเป็นคาเรชัดก็ดี ก็ต้องมีความอดความเพียรเหมือนกันหมดเลยผู้ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนานี่นะครับมุ่งหวังที่จะชำระทีเลสป่าประธรรมออกจากจิตใจแล้วมันต้องตั้งความอดความเพียรลงในใจเมื่อไม่ได้เร็วก็เอาช้าออตั้งใจลงไว้อย่างนี้เพียรเป็นนักบวชอย่างนี้นะถ้าหากว่าไม่ตั้งความอดความเพียรลงในใจ เมื่อตนทำความเพียนไปแล้วมันไม่ก้าวหน้าอย่างกระท้อใจอคิดแต่หาแตางศึสุขาลาเพศไปอย่างนี้นั่นเรียกว่าคนไม่มีความเพียนไม่มีความอดทนอยู่ในใจคนไม่มีเมตตาตนไม่ปรารถนาที่จะให้ตนมีความสุขมีแต่จะนำตนไปสู่ห้วงแห่งความทุกข์คนขาดความอดความเพียนนะ เป็นอย่างนั้นแม้ชาวบ้านก็เหมือนกันนะท่านสอนให้ไหวพระภาวนาอันนี้พอไหวพระนั่งสมาธิภาวนาไปาใจคิดไปทั่วพิภพพยายามอย่างไรใจก็ไม่สงบก็ท้อใจเลยหยุดภาวนาเสียไม่ภาคเพียนต่อไปอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องการที่พระก็ได้เจ้าสอนให้ภาคเพียนนั้น มันก็เนื่องมาแต่กำลังใจนี่อ่อนแอยังตู้อำนาจของกิเลสไม่ได้เมื่อกิเลสมันคุกคามเอาจิตก็เลยวันไหวไปตามมันอย่างนี้ดังนั้นพระองค์เจ้าจึงได้สอนให้ภาคเพียนอันเนแหลเพียนพยายามให้มันมีกำลังใจเข้มแข็งขึ้นมีกำลังส ต, ติเข้มแข็ง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 ก็ชื่อว่ามีสมาธิจิตสม่ำเสมออยู่เมื่อเมื่อสร้างกำลังสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วก็สร้างกำลังปัญญาถืบต่อปัญญามันก็ย่อมเกิดขึ้นได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ก็ไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตา ดังที่เคยแส ด, แดงมาแล้วทุกครั้งทุกคราวจบลงด้วยการที่าจรณาเห็นสังขาร น, นามลูกทั้งหลายหรือนอกสังขารออกไปก็ร่วนแต่เป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาทั้งหมดเลยเช่นนี้มันจึงเป็นทางหลุดพ้นจากทุกได้ดังแสดงมาขอจบลงเตียงเท่านี้